ได้จิตที่มันมีกําลังถูกต้องวันนี้พอดีเลยแต่ว่าบางทีก็หายไปก็ไม่เป็นไรเนาะมันของไม่แน่นอนดี๋ยวดีร้ายไปด้วยเออน่ยใจรจะเป็นกลางนะวันนี้มันดีเราก็ไม่หลงดีใจวันนี้มันไม่ดีเราก็ไม่เสียใจเป็นกลาง แต่ว่าทุกวันทุกปีต้องตามดูตามดูเปนตามรูตามดูแล้วดีบ้างร้ายบ้างเรื่องของมันเันไหนดีดีก็ไม่เที่ยงของร้ายรายก็ไม่เที่ยงนะเสมอใจเราเสมอนะใจเราไม่ดด้รนนะใจมันไม่ได้รนะ น, นะถ้าเข้าถึงความสงบสุขสรมาจริงจริงไม่ได้ยากเลยแค่รู้ทันความปรุงแต่งในจิตในใจเรา ดูไม่ทันเขาก็ดิน้นดิ้นเขาก็ทุกข์พอรู้ทันแล้วเขาก็เลิกดิน้นเลิกทุกข์ไม่มีอะไรสุดท้ายก็เหมืออาจารย์ําเขียนนั่นแหละอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรแต่มีแต่ความสูกลว้ลวนๆอยู่แต่ดูดูก็ไม่ช่วยแล้วสังเกตจริงๆล้วก็มีงานนะั่นคือการไประวังสังเกตอหมือนกัน เช่นบางช่วงภาวนาแม้มันสบายพอสบายหลายวันชักเฉื่อยหรือชักไปเพลิดเนแล้วแต่พอรู้ทันงานเราแค่แค่พอรู้ทันนี่แหละที่ไหวขึ้นเพราะเรารู้เข้าทันคนมารยาของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมาหลอกเราแบบนี้เราก็รู้ทันหลอกอย่างนี้ก็รู้ทันนะให้สุดใจไม่ถูกหลอก ตอนที่เข้าใจคือบาจดใจนีะทําไมเจอหน้าบอกมีแต่ความสุขนะมันคุขจริงๆสมไมพุทธกาลมีเล่าหนึ่งท่านไปไหนท่านก็บอกว่ามีความสุขจังเลยคนไปฟ้องเลยฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้าอุ้งนี้องค์จ้คิดจะสึกแล้วคิดถึงความสุขมันเป็นคารวะพระพเจ้าเรียกมาสอบสวนท่านมาเดินท่าเดินทะเจ้าแผ่นดินนะไม่มีความสุขเลยงานหนักทุกวันเลย แค่จะกินข้าวหรือจะนอนอยู่กลัวคนแอบมาข้าวไมีความสุขอันนี้มาภาวนามาอยู่ในป่าให้เขานะมีแต่ความสุขอีกองหนึงตรง่ข้ามกันเดินบน่นโอ้ตุ๊บจเึเดินตุ๊บจึงเดินตา ก, ก็ไปฟ้องอีกสังเกตไหมสมัยพุทธกาลในคำพีจะมีลักษณะพระที่ฟ้องเยอะนะตาไปฟ้องอีกองนี้คงจะสื่อแล้วคงจะเห็นว่าบวมแล้วเป็นทุ๊บพระพุทธเจ้าเรียกมาถามท่นบอกว่า ที่ท่านว่าดุกขจริงๆเนี่ยท่านคิดถึงตอนที่ผิดท่านยังติดห้องมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะโอตอนนี้ดีใจนะมันดูดอกมาได้แล้วงั้นเวลาเราพูดถึงธรรมะนะบางครั้งเราปฏิบัติไปบางวันจิตใจเรารู้สึกไหมมันมีความสุขเยอะเลยรู้สึกไหมแอบคิดอีกมุมหนึ่งนะโอ้มีแต่ทุกข์ล้วนๆปฏิบัติแล้วเห็นทุกข์ล้วนๆไปรู้สึกไหมอยู่ที่มุมมันนิดเดียวนะ ถ้าดูเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วก็โอ้สุขล้วนลวนเลยพอกลับมาดูขันทั้งหลายทุกล้วนล้วนเลยนั้นปุ่มทั้งสองมุมเลยแล้วแต่ว่าขนาดนั้นจิตจะไปมองมุมใดแล้วปฏิบัติแล้วยัรู้สึกไหมมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกไหมปฏิบัติแล้วมีความสุขมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่อีกอย่างนึงบอกปฏิบัติแล้วเห็นแต่ทุกล้วนล้วนเลยนคนเดียวกันพูดนะคล้ายคนบ้าไหม <c oughs> ตกลงมันจะสุขหรือมันจะทุกข์กันแน่มันทุกข์ล้วนล้วนเลยคือขันมันทุกข์ล้วนล้วนเรารู้เท่ารู้ทันใจเราไม่ปรุงแต่งแ ม, ม้นันมีความสุขแต่นนั้นตานั้นปรุงแต่งแล้วนะแค่นีก็แต่งพระอาอ จ, ะจารย์อภินยาเปลี่ยนชื่อละอภิญยาอภินญาก็ดีชื่อของปัญญาเป็นปัญญาอันยิง่งคนชอบไปแปลอภิญญาว่าอิทธิปฏิหาร ไม่ไม่ใจซึมเล็กนึนออนนนง อ, ออกหมไม่ออกเลยเอ้าเบอร์สิบนี่ชาวเวียนทำชาวเวียนทำดีกันใช่ไหมชาวเวียนทำดีนะหลวงพอ่อภาพมากเลยเป็นกลุ่มในอุดมสติในความเห็นลงพ่อนะอีกกลุ่มนี้มีทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติ แน่แนนี่เป็นวิบากนะแน่นนี่เป็นวิบากมีกิเลสตันอยากปฏิบัติมีกิเลสลงมือกระทำกรรมคือไปจ้องไว้วิบากแน่นเมืม่อเเป็นวิบากละไม่ได้ตัวแน่นนี้ไม่ต้องละนะรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นต้องชดใช้ีเป็นวิบากอย่าไปทำกรรมให้รู้ทันใจที่มันอยากปฏิบัติก็รู้ทัน พอมันรู้ไม่ทันมันไปนกำหนดไปจดไปจ้ อ, ใจจใจจองไปควบคุมประทับประคองก็หนักขึ้นมาออกใจมันจะหนีไปเที่ยวพอรู้ปุ๊บไปดึงคืนนันหนักเออรู้เท่าที่รู้ได้ ดูตัวรทัดหรือดูอะไรจริงจังข้านอกใจก็กระโจนใจกระโจนเข้าไปยึดไปเกาะใจก็เป็นทุกข์เกิกดนี้เรามีเขาขึ้นมนกระโจนเข้าไปสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็ไม่ทุกข์แต่นี้ปัญญายังไม่แจ้งสุด ข, ขีดนะถ้าปัญญาแจ้งแจ้งสุด ข, ขีดอีกทีหนึ่งอย่างหนึ่งคนทั่วๆไปเห็นว่ามีความอยากนยังไม่ทุกข์หรอกถ้าไม่สมอยากยมันจะทุกข์ คนทั่วไปเห็นว่าความไม่สมอยากทําให้เกิดทุกข์แต่นั้นปฏิบัติเราเนี่ยแค่จิตมีความอยากนิดนึ่งเราก็เห็นว่ามันทุกข์เลยมันมีความอยากมันก็ประโจนไปเกาะไปยึดไปจืดจิตไปเป็นทุกข์เราก็เลยเห็นว่าเออถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์นี่ยังเห็นผิดนะถ้าเห็นแจ่มแจ้งก็คือขันห้าเป็นทุกข์จะอยากหรือไม่อยากขันห้าก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์หนึ่งเรื่องไม่รู้ทุกข์หนึ่ง ความอยากมันจะเกิดขึ้น อ, อยากให้มีความสุขอยากให้สุขถาวร อ, อยากให้คน้นทุกข์สาวรมันมีความอยากขึ้นมาใจก็ยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นไปติดกับของสางสา ร, รวัดตรงนี้เองถ้าเรารู้ทุกข์ทุกข์นะเห็นแจ่มแจ้งแล้วจิตใจไม่ใช่เราเหรอกคืนให้โลกก็ได้นะคืนจะทั่งจิตใจให้โลกได้ตัณหาไม่มีนะไม่ดิน้นไม่ดิ้นก็ไม่ทุกข์นะแต่ตัวขันนี่เป็นตัวทุกข์ อย่านึกว่าขันของพระอรหันต์ไว้ทุกข์นะขันของพระอรหันต์ก็ทุกข์เหมือนขันของพวกเรานี่แต่ใจที่รู้เท่ารู้ทันฟองทุกข์มันจะหมดการดิ้นรนใจที่มันหมดความดิ้นรนนั่นแห ล, ลมันมีความสงบสุขนิทานก็คือความสงบสุขเลยคือสันติสุขเมื่อ ใ, ใจเราก็เป็นอย่างนี้แหละต้องเรียนนะต้องเรียนต้อเรียนรู้ หน้าที่ของพวกเราไม่ใช่ทาอะไรหน้าที่ของพวกเราคือเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปด้วยจนมาหนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจตัวความรู้ความเข้าใจคือตัวปัญญาเนี่ให้เราตามเรียนรู้กายอย่างที่เขาเป็นจนรู้ว่าธรรมดาของกายไม่เที่ยงเป็นทุเป็นอนัตตาเรียนรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นจนเห็นว่าธรรมดาของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุเป็นอนัตตาเห็นธรรมดาของเขาเนี่ย เห็นความเป็นธรรมดาของเขาเนะี่ยะเห็นธรร ม, มะแนหะพวกเราไม่ชอบธรรมดานะชอบสิ่งที่เหลือธรรมดาเช่นอยากให้สุขสาวรสุขสาวนี้เหลือธรรมดานะก็ไม่มีอยากก้นกุ๊กสาวนไม่มีนะธรรมะสาวรในสังสารวัรตนี้ในธาตุในขันนี้ไม่มีธรรมะสาวนนี้เราอยากสิ่งที่ไม่เป็นธรร ม, มะเราอยากได้สิ่งที่เหลือธรร ม, มะ เราปฏิบัติแค่เป็นแค่ตายจิตใจไม่เข้าถึงธรรมะ ส, สักทีหนึ่งเพร อ, อไรเมื่เราปฏิเสธธรรมะปฏิเสธความจริงปฏิบัติเนี้ยอยากให้มีความสุขถาวร อ, อยากสงบถาวร อ, อยากดีถาวรสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมะเลยนั่นอยากได้ของที่ไม่ใช่ธรรมะนั้นก็ไม่ได้ธรรมะสิแต่ถ้าเราเป็นผู้เรียนจะ เ, เห็นเลยธรรมดาของกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนัตตาดูจิตดูใจ เห็นธรรมดาของจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนะตานี่เห็นธรรมดานะถือความเป็นธรรมดานี่เขาจะยอมรับความจริงจะยอมรับความจริงยอมรับธรรมะยอมรับความเป็นธรรมดานั่นเองใจยอมรับใจก็ไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็ไม่ปุ๊บฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเรียนเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปจนใจมันยอมรับมันเข้าใจความจริงยอมรับความจริงเบื้องต้นก็ยอมรับก่อนใจขยะใจไม่ใช่ตัวเราหรอก ตัวเราไม่มีทำทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับยอมรับได้แค่นี้นะได้แค่โสดาบันเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกกายนี้นะเป็นตัวทุกรุ่นๆเลยนะรูปเสียงกยลิ่นรสสัภพที่เนื่องมาด้วยกายนี้ก็เป็นทุกรุน่นๆใจหมดความยินดียินร้ายใ น, ร, ย ร, ย น, ร, ร, นรูปเสียงกลิน่นรสสัภพรวมทั้งธรรมารมที่คำหนึ่งถึงรูปเเสียงกลิ่นรสสัตวภพด้วยไม่ว่าการมาทำ ใจเราก็คิดโดยกรรมธรรมกรรมธรรมกรรมทางใจถ้าอนาคตเขาละได้นะกรรมธรรมใจมันเห็นเลยร่างกายนี้ไร้สาระรูปเสียงกลิ่นรสบทสภาวะที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นใจใจก็ไร้สาระไปเรื่อยเขาถนัดตาอย่างไร้สาระแล้วรูปจะมีสาระได้ไหมระหว่างตากับรูปเรารับตานะตายัางไร้สาระรูปก็ไร้สาระ ระหว่างหูกัเสียงเรารับหูนะหูยังไร้สาระเลยเสียงก็ไร้สาระมันไร้สาระนะเราก็ไม่หลงยินดียินร้ยนยนยนายทางๆหูจะบวกลิ้นกายหรือทางใจก็คิดถึงกรรมมาทำคิดถึงอารมณ์ต่างๆหูจะบวกลิ้นกัตรงนี้เป็นภูมิจิตของพระอนาคามีมันเห็นแจ้งท า, าาทางกายมันไร้สาระทากรรมที่เรื่องด้วยกายก็ไร้สาระ ภาวนาต่อไปจิตแทนจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียวที่เห็นในภาพรู้นี่เป็นอนิจจังบางท่านเห็นเป็นอนิจจังบางท่านเห็นเป็นทุกข์นะบางท่านเห็นเป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งจิตจะวางจิตจะสลัดคืนนะสลัดจริงๆนะไม่ใช่พูดแต่ภาษามนุษย์ปฏินิสัทธ์สลัดสลัดจริงๆสลัดออกไปเลยไม่ยึดถือไว้จิตใจก็เป็นอิสระ ถ้ถึงความสุขตันนี้สุขทั้งวันทั้งคืนนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ถามว่าขันที่ยืนเดินนั่งนอนมีความสุขไหมไม่มีเลยท่า น, นก็มาหากระส ป, ปะเจรเล่าให้ลูกติดฟังว่าธรรมดาของพระอราหันะรู้สึกในในขันเนี่ยเหมือนหมาเน่าคนท่้นเทียบจิตใจของท่านที่สะอาดหมดจดแล้วนะเหมือนคนหนุ่มคนสาวท่านเทียบนี้ไปหาบน้นะํามะ แต่งตัวทาแป้งใส่น้ำหอมเสร็จ แ, แล้วเอาหมาเนา่าห้อยคอไปตัวนไ้ไหนก็ชืีย่ยวหมาเน่ากันคะือจิตใจนะั้นมันบริสุทธิ์ขุดของแต่ขันนะเหมือนหมาเน่านะมันจะเป็นของดีของวิเศษไปไม่ได้เด็กขาในเลยตัวขันนไม่ใช่ขันของพระอรหันต์พิเศษนะเนีเราค่อยศึกษานะรู้เท่าทันเรียนรู้ทำตัวเป็นนักศึกษาเห็นไหมหลวงพ่อชอบพูดอให้พวกเราศึกษา ความไม่ได้บอกให้เราทํานะถ้าทำไม่จะทําอะไรที่เหลือธรรมดาเช่นกําหนดสิ่งที่ได้ได้แต่สมร tha ะนะถ้าทำเมื่อไหร่ก็สร้างโลกเมื่อนั้นแหะสร้างพบเมื น, นั้นแหะเพราะําว่าพบมันย่อมันจะสมากรรมมาพบการทํางานหัวใจลงมือทำเมื่อไหร่ก็คือการทํากรรมสร้างพบในใจขึ้นมายัางไงก็เกิดชาติเกิดฟุกตามมาแน่นอนฉันเรียนรู้ทําตัวเป็นนักเรียน เรียนรู้อะไรเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงือตัวศาสนาพุทธจริงๆคือตัวปัญญาสัมมาทิฐิตัวความจริงหรือตัวอริยสัจด้วยล่ตัวความจริงเมื่อไหร่ใจเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจเห็นแจ้งในกองฟุ๊กเห็นว่าพันเป็นกุ๊กเพราะฉะนั้นแหละจะเข้าถึงธรรมจิตจะวางความยึดถือกายยึดถือใจเข้าถึงนิพพานพ้นทุกข์ หน้าที่คือเรียนไม่ใช่หน้าที่คีอทานี้เรียนก็มีเรียนปริยัตนะขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดนี่เรียกว่าเรียนปริยัติไม่ต้องเรียนกาจาระพิญญาแค่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเรียกว่าเรียนปริญัตถ้าเรียนปฏิบัติทํายังไงดูของจริงที่กําลังเกิดขึ้นมาที่เรียนปฏิบัติแล้วถึงวันหนึงก็มีปฏิเวทวันนี้มีกรรมการชื่อปฏิเวทชื่อดี พวกเราไม่เรียนปริยัติได้ไหมไม่ได้นะอย่างน้อยต้องฟังสรูบาจารย์หรือสมัยพุทธกาลก็ไปฟังพระพุทธเจา้าประโยคสองประโยคนี่ก็คือปริยัติไม่ต้องจบปริเสธเก้านะไม่ต้องเรียนจบถึงสมถะวิปัสสนาถึงต้องไลได้มาหาปัตฐานกว่าต้องขนาดนะั้นเราเรียนปริยัตเรียนพอให้รู้แนวรู้พิธีปฏิบัติ นี่หลวงพ่อย่อลงมาให้เลยนะข้อสรุปมาจากทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมของเรานะให้หักสังเกตสภาวะไปเมื่อใดจิตจำสภาวะได้แม่นยำยมีทีลสัญญาจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองเมื่อสติตัวแท้ตัวจริงเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ยิริโอตปาศีน ส, สมาธิปัญญาวิมุตติจะตามมาเป็นแถวหนึ่ง ดังนนจุดตั้งต้นจริงๆคือสังเกสภาวะไปอย่างคนเรียนเยอะอาจารนัตตาแต่ก่อนเรียนมากอาจารย์สัเกตชื่อละก็เรียกชื่อเดิมด้วยนะรู้จักนามแต <c oughs> ่ารย์ปัญญาเรียนเยอะแต่ไม่ได้ดูตัวสภาวะแท้ๆ แ, แต่พอมาดูตัวสภาวะนะมันสอดคล้องกับที่เรียนนะ <c oughs> เวลาเห็นรู้เห็นสภาวะเข้าใจง่ายเข้าใจได้เร็ว ถ้าเราไม่รู้เลยไม่ได้เรียนมานะเรียนหลวงพ่ อ, อเรียนแบบหมวยวัดครูบาอาจารย์สอนบอกให้ดูจิตดูทุกเดียวเลยลูกๆุกลำคลำนะเห็นสภาวะแต่พูดไม่เป็นบอกไม่ถูกห บ, บืเรียกชื่อไม่ถูกเราก็เรียกสรงเด็จไปตามใจชอบนะ<ม>นั่งปฏิบัติเวลาคุยกันเนี่ยถ้าเข้าถึงธรรมแล้วไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ถ้ายังไม่ถึงธรรมเลยตีกันพวกลูกติดกันลูกติดเลยชอบตีกันหาว่าสำนักเราถูกสำนักนั้นจิต อะไรพรพูดไม่เหมือนกันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องดังนนเรารู้ปริยัตเรารู้สมมติบัญญัติเลยเราเห็นสภาวะแล้วเราเรียนปริยัตนะิเนี่ยมันก็บัญญัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานเท่านั้นมันก็เป็นภาษากลางภาษากลางไม่เราภาษาไทยไปพูดกับภาษาจีนคนไทยคนจีนถ้าพูดภาษาอังกฤษ ร, ร่วมกันก็ไปกันได้ภาษาในปริยัติก็เหมือนภาษากลางอย่าไปเกลียดมันนะมคนไปเกลียด วิเกลียดระพิธรรมที่เกลียดระพิธรรมนี่ก็ได้เห็นใจนะพวกเกลียดระพิธรรมทำตัวแปลกๆอย่างเวลาเมื่อก่อนผมก็ขเขียนอยู่ในอินเทอร์เนต็ตวันดีคือดีจะมีนักอภิธรรมเข้ามานะไม่พูดกล้ามทำเพลงนีดาดา่ดาๆๆแล้วหนีไปเลยพวกนี้พวกปฏิบัติลูกเดียวปริยัตไม่เป็นฟังร้องงงไอ้มันด่าเราทำไมมนะไม <c oughs> ่ทําอะไรไม่ดีด่าผม ยศงลพ่อก็สงสัยนะพวกกับพิธามเขาเรียนอะไรนะไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งได้คํามาคู่เดียวปัญญัติกับปรมัตอ๋อไอตัวที่เราเห็นนี่มันก็ปรมัตนะแหละแต่เราพูดไม่เป็นเราจับคํานี้ได้คาเดียวเนืตัวอื่นกะจายออกมาเลยนะง่ายไม่ยากนะพิธามอ่ะอย่างวิถีจิตี่เชยนเรื่องประเด็นอย่างนี้อาจารยนภาอาจารย์กิจยาเห็นเลย เห็นว to ิถีจิตได้ครบไหมถ้าตึกไปได้เห็นเรื่องใจอยู่ในระวังแต่ว่าระวังนี่เราจะเห็นได้ตอนเราออกจากภวังแล้วนะีะเห็นด้วยชวานะจิตที่เกิดที่หลังอย่างเวลามีอะไรมากระทบจะกระทบความรู้สึกไม่รู้ว่ากระทบอะไรนะยังไม่รู้เลยจะกระทบทวารใดมีอะไรอย่างเราหลับลึกๆอยู่คล้ายๆเทียบๆนะเราหลับลึกๆอยู่มีอะไรมากระทบทางทวารใดก็ไม่รู้ใจมันไหวอยู่ตัวขึ้น พอมันไหม่มันก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอมันรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเริ่มจําแนกนะว่าอารมณ์มากระทบทางสวรรค์ไหนจิตที่ไปเกิดทางสวรรค์นั้นเกิดเองนะที่เกิดการรับรู้ทางสวรรค์เราจะเห็นเลยพอมันรับอารมณ์ปั๊บมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพอส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันจะแปลมันจะแปลมันจะให้ข้ามหรือตีความและตีความเสร็จแล้วจะตัดสินใจนะ จ่เกิดจะตรวจดีไม่ดีหรือจะเกิดกุศลดีจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ดีมันจะตัดสินใจแนละ้เพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้เลยจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่แล้วจิตจะขึ้นมาเสพอารมณ์ะนะะอยู่ช่ว ง, แ ล, ว แ, ง, วงแล้วก็จะค่อยๆเหยียบไปซึมๆไปซึมๆเล็กนึงนะก็ลงพับดับมันจะขึ้นวิถีอันใหม่แต่ถ้าเราหัดภาวนาไปเราคอรู้คอดูไปเรียนนี่ไม่ยาก นี่แต่เราเรียกชื่อไม่เป็นหรอกเรียกไม่เป็นหรอกว่านี่เรียกปฏิสำปฏิฉันนะเรียกสันตีละนะไม่เป็นแต่เราดูจากของจริงๆนั้นธรรมะนะฟังหลวงพ่อนินดๆหน่อยๆก็พอละฟังพอให้รู้วิธีที่จะดูสภาวะวิธีหันดูสภาวะง่ายๆเลยนะก็คือหากรรมฐานมาอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ใครจะใช้พุโทโธก็ได้ใครจะใช้ลมหนใจก็ได้ ใครจะดูท้องฟองยุบก็ได้ใครจะดูหยินยาบดสีก็ได้แต่ไม่ใช่ดูอย่างที่เคยดูดูอย่างที่เคยดูเกือบทั้งหมดคือการเพ่งจะเอาจิตเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์เช่นพอรู้ลมหายใจเอาจิตไปนแนบลมหายใจรู้ท้องเอาจิตไปแนบท้องรู้ท เ, เ, นนทนะเท้าเอาจิตไปแนบเท้าวนะขยับมือห็นสายหลวงข้อเขียนขยับมือเอาจิตไปแนบเข้าไว้ในมือและนี่คือการเพ่งตัวอารมณ์ นี่อารมณ์รู้ปณิชฌานได้แต่สมถะไม่ใช่การรู้ลักษณะของอารมณ์ทีนี้เราก็หาอารมณ์กรรมฐานมาอันหนึ่งนะแล้วหักสังเกตสภาวะไปเช่นพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดละรู้ทันไหมใจไปคิดพุทโธแล้วใจฟุ้งตานหรือว่าฟุ้งตานใจสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วใจนิ่งนิ่งหรือว่านิ่งนิ่งซึมซึมหรือว่าซึมซึมพุทโธแล้วหักสังเกสภาวะไป หายใจเข้าหายใจออกไปก็ได้หายต่แล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตก็เป็นแนบเพ่งกับลมหายใจก็รู้จิตเป็นสุกเป็นทุกข์เป็ น, นกุศลอกุศลก็รู้ดูท้องฟองยุบ ก, ก็ได้แล้วก็หัดรู้สภาวะไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลต่างๆนานาก็ไปรว้เนี่ยหัดรู้สภาวะนะเนี่ยจุดตั้งตนน้นเลยนะจุดตั้งต้นเลยหัดรู้สภาวะอย่างนี้ ทุกวันต้องหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะให้หัดรู้สภาวะไปอย่เว้นมันไหนจิตใจฟุ้งซ่านมากนะก็ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ต้องทําทุกวันนะแต่ว่าทําความสงบอันนี้พุโทโธพุธโทโธเพื่อให้ใจสงบในใจเพื่อให้ใจสงบือท้องฟองยุบให้ใจสงบพอใจก็เป็นแนบแนบสบายสบายแนบเบาเบเดี๋ยวก็สงบนี่พอสงบแล้วก็ออกมาหัดรู้สภาวะต่อ แต่ถ้าวันไหนจิตใจรู้สภาวะได้ก็รู้ไปเลยรู้ทุกวันทุกวันต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นพอจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองสติจะเกิดเองเช่นทุกวันเราหัดทุกโทวแล้วเราก็รู้ทันใจของเราที่เปลี่ยนแปลงพอรุ่งเช้าเราออกจากบ้านเราคนขับรถปาดหน้าเราปั๊บโปต่าเกิดนะมันเห็นโปต่าพุ่งขึ้นมานะ่เห็นเองนะมือเห็นเองจิตมันรู้จักสภาวะเยอะแล้ว หรือเห็นหน้าเพื่อนเราแหมมันดีใจขึ้นมามันเห็นอะไความดีใจขึ้นเห็นเองนี่สติพอมันเกิเดเองแล้วจิตใจมันจะตั้งมั่นเป็นแค่คนดูนะที่เป็นแค่คนดูเองใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าสติจงใจให้เกิดนี่จิตจะเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์ใช้ไม่ได้พอสติเกิเดเองหรือใจมันจะตั้งมั่นเป็นคนดูที่มันมีสัป ม, มาสมาธิแลนะทันทีที่สติเกิดจิตก็มีความตกแล้ว จิตมันเป็นกุศลมันมีความสุขหรืออย่างีนอต่ำก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาแบบลุ่มนวลก็ถือว่าเป็นความสุขด้วยฉะนั้นทันทีที่มีสติมีความสุขทันทีที่มีความสุขจิตจะตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่จะตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูสติประรึกรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏตั้งรูปธรรมนามธรรมจิตตั้งมั่น ปัญญาก็เข้าใจปัญญาี่เป็นตัวเข้าใจโอสภาวะทั้งหลายเกินแล้วดับนี่เรียกว่าปัญญาเนะี่ยหัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปสักพักหนึ่งบางคนจะเกิดเบือ่อโอ้ความสุข ก, ก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวน่าเบือ่อผุดลก็ น, น, น, กน่าเบือ่อนะอากูผลก็น่าเบื่อเมื่อแต่ของเกิดแล้วดับนี่ถ้าเบือ่อต่อสังขารเบือ่อทั้งสุขและทุกข์เบื่อทั้งดีและชั่วเสมอกัร น, นี่เรียกว่าจิตมันมีปัญญาอีกขั้นนึ่ง มันเริ่มเข้าใจความจริงแล้วมันเริ่มเบื่อหน่ายบางคนเห็นว่าเอ๊ขันห้ากระจายตัวปุ๊บ อ, ออกมารูปเบทนาสัญญาทังขานกระจายตัวออกไปแล้วเราไม่มีเราไม่มีนะใจรู้สึกเวิร์งว้างตายแล้วขาดที่พึ่งรู้สึกเวิร์งว้างรู้สึกน่ากลัวบางคนก็รู้สึกอย่างนี้นะบางคนเบื่อบางคนรู้สึกน่ากลัวบางคนรู้สึกว่าโอ้โลกนี้จุดชื่อไร้สาระไม่มีรสชาติเลย สุขุกอะไรทั้งหลายเคยจีบสาวมีความสุขสนุกสนานเฉยๆฉยายสาระเป็นหมดโลกเลยนะโลกนี้จืดบางคนรู้สึกอย่างนี้นะที่หลวงพ่อไม่ได้พูดศัพทนะ์นะอาตีนวายานปะยตูปัฏฐานยานนิพิทายานอะไรนีไม่ได้พูดภาษาที่เกินมนุษย์ <c oughs> <c oughs> เกินมนุษย์คนไทยนะแต่ว่าใจิตใจมันจะเข้าไปถึงสภาวะอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเข้าทุกวันนะ ในโสโรดยานก็มาเขียนรุ่นหลังเนี่ยพลาดเคลื่อนจากพระใจปิฎกแท้จริงแล้วท่าอนอธิบายเลยว่ายาณสามตัวนกะลุ่มเนี้ยมันเหมือนกันด้วยอักถะต่างกันด้วยพยัญชนะมี่รุ่นหลังมากระจายให้มันเยอะๆได้ดูโกโก้เคลืนยานในโสโรถยานี่จริงๆเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มนะๆนี่บางคนก็เบื่อบางคนเห็นไร้สาระบางคนเห็นหน่ากลัวก็รู้ทันอี ความรู sagen, ้ส well, ึกเบื oh, so sure ่อความรู้สึกไร้สาระความรู้สึกน่ากลัวเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกแล้วนะรู้เข้าไปอีกให้สุดใจอย่าตั้งมั่นขึ้มันอะไรเกิดขึ้นนะใจจะรู้อย่างเป็นกลางนะความตกมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดีแล้ความทุกมาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายเป็นกลางใจที่เป็นกลางใจมันไม่ดิ้นเอมันไม่ดิ้นมากเข้ามาเข้าเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะ บ่อย ด, ยด้วยใจที่เป็นกลางไม่ดิ้นรนที่จะสแสวงหายึดถือหรือต่อต้านตักใสไม่มีใจมันจะค่อยๆคล้อยตามความจริงใจที่มันคล้อยตามความจริงเละมันมีสัจจาือโลมิกอย่างจริงตรงนี้ได้เกิดในอัปปนาจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิจะเข้าเองนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่ปฏิบัติไปคือปฏิบัติไปจนถึงจุดที่จิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งปวง เป็นกลางด้วยปัญญานะไม่ใช่เป็นการด้วยกลางด้วยการพิ่งคือไปเยินใจเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเยินใจเป็นกลางจริงๆเคยมีคนหนึ่งนะแหกหัดดูจิตใองแกอยู่อย่างนี้ดูอย่างที่พวกเราหาดัดดูดูอยู่เจ็ดเดือนดูจนกระทั่งจิตมันชำนิชำ น, นาญที่จะดูได้เองวันหนึ่งเกฝนฝนตกใจกังวลกลัวจะเป็นบาดใจกังวลกลัวเป็นบาดถ้าเป็นสมัยแรกๆที่หัดเพื่อไปดูเพื่อให้หายกังวล ถ้าพูดว่าใจมันมีสติมันไปนระลึกรู้ความกังวลโดยไม่เจตนาจะระลึกที่สเต็ปที่หนึ่งนะระลึกได้โดยไม่เจตนาจะระลึกระหว่างระรึกนั้นสักแต่ว่าระลึกไม่ถล่มลงไปเพ่งจ้องเมื่อระลึกแล้วไม่แต่ต้องมันเลยนะไม่ปลูกแต่งอะไรต่อเนีย่ยประจิตมันเดินและอัตโนมัติทั้งสามสเต็ปนีน้เรียกว่ามันเป็นกลางอย่างแท้จริงเป็นกลางอย่างแท้จริงนะ ตอนจะรู้ไม่ได้อยากจะรู้มันลารึขึ้นเองระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้สักว่ารู้อยู่รู้แล้วไม่แทรกแตนะ่งเลยไม่ใช่กังวลก็อยากให้ไหนกังวลมีปุศนก็อยากรักษามันเป็นกลางต้องสามสเตนะ็ปเลยกลางอย่างแท้จริงจริงมันหนึ่งในหนึ่งขณะจิตนะในแว บ, บเดียวแต่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็ต้องหลายขณะหนึหย่ย แต่ตรวจขณะ <c oughs> <c oughs> แต่เกิดขณะแต่ละจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเองไม่ต้องรวมไม่ต้องไปช่วยมันรวมรวมเองนะเสแต่ล้ะจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองขณะและบางคนเห็นสามบางคนเห็นสองสองขณะวับวักถามว่าอะไรเกิดดับสภาวะธรรมเกิดดับต่อมากกว่านั้นไม่ได้เพราะไม่มีการสมมติบรรยัติอีกต่อกันล้วเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมเกิดดับ ในขณะที่เห็นสภาวะตามเปิดดับนั้นจิตใจเป็นยังไงจิตใจไม่เป็นอะไรจิตใจเป็นกลางอย่างแท้จริงค้อยตามอะไรจะเกิดเพื่อมันก็เกิดไปอะไรมันจะดับเออมันก็ดับไป จ, จิตใจค้อยตามความจริงที่กำลั ง, ลงลปัากฏต่อหน้าตานล่เรียกว่าอนุโลมญาติแต่มีค้อยตามความจริงแต่ไม่มีความคิดนะแ็จแล้วจิตมันจะวางการรู้อารมณ์ จะควรกระแสก็าหาธาตุนู้นตรงนี้ซึ่งๆกลางๆเขาเรียกว่าโคตรละปูอย่างเอาแค่นี้ก็แล้วเดียจะไปปรุงต่อ <c oughs> บังคับ <c oughs> น้อยลงไหนอ ย, อย่างบังคับนะ <c oughs> บังคับ <c oughs> คุณพระดา ยังไม่ใช่สัจธรรมะนะยังไม่ใช่นะอยังแค่ใจผิดนะใช่หลวงพ่อบอกได้ตรงๆเพราะว่าคุณธราดานี่เป็นคนขีมแข็งแล้วบางคนยังไม่ใช่นะโอ้เราจะบอกได้นะเป็นเดือนหรือคืนค่อยๆประคองกระคองนะใจไม่ถึงถ้าคนใจถึงแล้วก็ไม่เสียเวลานาะมีบางคนใจไม่ถึง ตอบกลับกันตั้งนานเนี่ยพูดป่านนี้ยังแก้ไม่จบกต็มีคือถ้าบอกว่าไม่ใช่นะล้มควม่ำไปเลยจะตีแตกจะเสียใจนะไม่ใช่ว่าวสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นนะเราให้หันมาดูเรื่อยๆไปเดี๋ยว ใ, ใ, ใจมันจะค่อยวางไปวางไปมันเป็นไปนเองขอโทษตอนนี้ท ว, วามรู้สึกได้ค่อนข้างเยอ ใจเงั้งใจความพอพอพไม่ก็วางไม่ก็วางได้ได้จิตนี้จะเดินเป็นช่วงๆนะบางช่วงเยอะออกพิจารณาเยอะคนฟ้าพี่มาบานช่วงก็สงบพักผ่อนแต่ว่าเราต้องเหมือนเราหัดขับรถยนต์ช่วงนี้จะต้องเหยียบคันเร่งช่วงนี้จะเหยียบเด มันเป็นศิละ ป, ะปะนล้วนถ้าจิตใจก็เราค้นคว้ามากเลยจนหมุนติ้วๆนะอั น, นี้ต้องทำความสงบน้อมเข้าหาความสงบน้อมเอาคึกกลับไปทําสมาธพักผ่อนคราวนี้พอสภาวะธรรมไหลมาเนิ่มๆเลยเรก็ขอบมาตามรู้ต่อแต่ถ้าเรากระโดดเข้าไปรู้เรื่อยๆค้นคว้ามากมจะหมุนเร็วขึ้นรื่อยๆจะหมุนจีๆๆขึ้มนมามาดูไม่ทันเดี๋ยวสับสน ใครจะส่งใครจะรั บ, รรบตอนนี้ก็ดูออกนะดูว่าตอนนี้ดูอะไรไม่ออกเรามาติกคิดว่าบางช่วงไม่มีสภาวะธรรมที่ดูแต่จริงสภาวะธรรมมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นสภาวะที่เรายังไม่เข้าใจเราคิดว่าไม่มีรู้สึกไหมว่า ใจเราเหมือนก็ดูอะไรไม่ออกเหมือนทําอะไรไม่เป็นความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็รู้ว่ามันรู้สึกอย่างนี้แหละจยรู้สกภาวะลงไปเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงให้ดูอีกคุณปลาดาจิตหนีไปแล้วทักไหมไหลไปิิย่ดนปะิิตะ ถูกแล้ว <S <S คือเราต้องจำแนกให้ออกนะว่าเรามีสถานะอะไรเป็นฆราวาสอนะ่ะรวยได้ก็รวยนะแต่ไม่ไม่ขี้โกงนะไม่ใช่ว่านักปฏิบัติต้องยากจนนะในสมัยพุทธกาลนะคือนักปฏิบัติเศวตที่เก่งๆนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีนะเป็นเศรษฐีก็มีไม่ใช่ทุกคนเป็นยาจกนะเพราะงั้นเราต้องแยกให้ออกว่าสถานะของเราคือฆราวาสราวาสมีหน้าที่ทำมหากินะ มีหน้าที่ศึกษาธรรมะแบบคารวะด้วยอย่าปล่อยธรรมะให้เป็นหน้าที่ของพระทั้งเดียวไม่ได้นะศาสนาพุทธศูนไปนใจอินเดียก็เพราะเรื่องนี้หลยยกธรรมะให้พระดูแลรักษาพอพระถูกปราบไปหมดเลยศาสนาหายไปเลยนั้นทุกคนต้องเรียนธรรมะนะเราก็มีหน้าที่ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างมีธรรมะสอดคล้องกับธรรมะ เช่นเราจะต้องรู้จักขยันทํามาหากินพระพุทธเจ้าสอนให้ขยันนะได้เงินมาแล้วต้องรู้จักบริหารจัดการไม่ใช่ว่าทําบุญร้อยเปอร์เซนยิ่งทํามากยิ่งได้มากอันนั้นโง่นะถูกเขาหลอกแล้วล่ะทํามากได้มากองประกอบของการทําบุญมีเยอะแยะเลยเจตนาที่จะทํามีทั้งสามการก่อนจะทํารู้สึกยังไงระหว่างทํารู้สึกไงทําแล้วรู้สึกไง อย่าง่อนจะทํำสัตยาแก่ร่าไปขายบ้านมาบริจาคสร้างเจดีสมมุตินะกลับบ้านสามีเตะจิตใจเศร้าหมองกุศลนี้กับท้องกับแก้งแหละกุศลนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนอ่อนมันจะไม่เกิดจิต ท, ที่เป็นมหากุศลเป็นกุศลอ่อนอ่อนถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นกุศลชนิดนีน้น่าสงสารนะมันได้เป็นคนพิการ หรือเป็นจิตว ด, ดาพิการพิการจิว ด, ดาพิการก็มีนะจิตว ด, ดาการล่างล่างหรือวัตถุทานที่เราอยาไปทําเนี่ยบริสุทธิ์ไหมน้ำพักลําแรงไหมทําแล้วประกอบ ด, ด้วยปัญญาไหมเรารู้ว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อจะลดลาด่างกิเลสในใจเรามันได้บุญเยอะนะประกอบ ด, ด้วยปัญญาทําเพื่อหวังว่าจะเฮงเฮงหรือไม่ประกอบ ด, ด้วยปัญญาอย่างนี้ได้บุญน้อย คนที่รับเป็นคนดีหรือคนเลวแค่ไหนแม้เงื่อนไขเยอะแยะนะเนื่อสิ่งนี้เราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเังนั้นเราเป็นราวว่าดียวสนใจธรรมะก็โดดหลอกได้นะหลอกให้ทำบุญให้หมดตัวไปเลยแล้วจะได้มีบุญมากๆอันนั้นเป็นบุญประกอบด้วยมีจฉาทิฏฐิในบุญนิดเดียว เนี่ยตอนนี้มันยังติดการเพ่งอยู่กระแว้แข็งแขงถ้า อ, อะไรถึงเพ่งตักไปถ้าเราอยากปฏิบัติถ้าใจถึงถึงนะเชื่อหลวงพ่อนะลืมไปว่าปฏิบัติคํำนี้เหมือนผีที่หลอกพวกเราให้ไปติดการเพ่งติดการกําหนดต่อไปนี้ไม่ต้องปฏิบัตินะแต่ว่าทุกวันไหว้พาราตรวจมนลทำสมาธิเดินจงกรมแต่การทําสมาธิเดินจงกรมเนี่ย ทำเพื่อหัดสังเกตสภาวะอย่างที่หลวงพ่อบอกไปเแค่เช่นหัดพุทโธไปใจหนีไปคิดก็รู้ทันไปไปเพ่งก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้หัด อ, อย่างเนี้ยขยับมืออย่างหลวงพเปี่ยนจะได้หยับแล้วใจเข้าไปเพ่งในมือก็รู้ทันใจหนี้ไปก็รู้ทันหัดรู้ไปเรื่อยๆนะไม่สนใจว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่ต้องใจเด็ดๆอย่างนี้นะไม่ต้องสนใจว่าเมื่อไหร่สติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะได้ปฏิบัติไม่สนใจเลยหัดรู้สภาวะไปรู่เดียวเลย แล้วสติเก ouais. right right right hmm ิดเองสติเ hmm. ก <entire> ิดเองนะปฏิบัติได้ท mm ั hmm. mm ้งวันทำได้ทั้งวันเลยที่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะนะมีความสุขถ้าตั้งใจมากมันเครียดตอนนี้มันแข็งไปดูออกใช่ไหมดีแล้วมาเรียนจีครังดูได้ขนาดนี้ก็เออปมาณก็ะเห็นที่งาอที่นี่นอือแล้วเรางพ่อจำไม่ได้นานๆมาจีบมัน ไม่เ้เ่งนะแต่สังเกตไหมจิตมันสว่างกว่าข่าวก่อนารันมันมีสิเ่งี้สเ่ขาูกรู้ว่าตัวตัวเรู้สึกอย่างนี้ได้ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตมันหลุดออกจากโลกของความคิดม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเมื่อไรเรารู้ดออกจากโลกของความคิดแล้วกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่เราเพราะจริงๆความเป็นเราไม่มีนะ ควมเนเราเกิดจากความคิดเท่า น, นั้นเองท่านถึงเรียกส ก, กายะทิฏฐิมันเป็นแค่ทิฏฐิเป็นแค่ความคิดความเห็นไม่ใช่ของจริงแล้วเราก็หันดูไปเรื่อยๆเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็เพง่งเดี๋ยวก็รู้สึกสลับไปสลับมารู้สึกไหมเราเลือกไม่ได้ยังจิตเจ็บเพง่งเราไม่ได้จงใจมันเพงเง่งองรู้สึกไหม <ừ. S 1> นั่นแหละมันกำลังสอนธรรมะเรา แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราโอ้เพ่งอีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกนี่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข okay ้าใจนะโอ้ทนี่มันแสดงธรรมะให้ดูมันไปเพ่งให้ดูเราไม่ได้จะเพ่งน้ํามันเพ่งผมมันเองหรือมันเสือไปโอ้ดีนะมันแสดงธรรมะให้ดูมันเสือให้ดูเราไม่ได้จงใจจะเสือนะมันเผือเองการที่เห็นว่ามันทําได้เองต่อไปจะเห็นอนัตตานะแต่ไม่ใช่เห็นอาจารย์อ <Deck> นัตตานะ เราจะเข้าใจเลยโอ้จิตมันเป็นอนัตตาทำงานได้อีกรู้สึกไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยรู้สึกไหมนั่นแหละเห็นอนิจจังแ่ะเคื่อไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวอย่างโ น, น้นเดี๋ยวอย่างนี้เกิดหับหมุนเวียนไปเรื่อยเห็นอ น, นิจจังเห็นไหมมันทำงานได้อีกนั่นเห็นอ น, อนัตตานะไม่ธรรมะแสดงตัวตลอดเวลาแต่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกเมื่อไหร่จะเลิกเพ่งสักทีวะ พอมาว่าเพ่งแล้วหลวงพ่อว่าเอาอยากเลิกเพ่งอยากอะไรที่ไม่เป็นธรรมะแต่ถ้าเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกนะเมื่อจิตมันเพ่งมันก็สอนธรรมะเราแล้วจิตมันเสริมมันก็สอนธรรมะเราแล้วจิตมันรู้สึกตัวก็สอนธรรมะเหมือนกันนะรู้สึกได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วเะนั้นธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ทําไมจิตใจเราไม่รับธรรมะเข้ามา เราชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมะเช่นอยากบังคับให้ได้ถึงออกไหมเออทาไงมันจะเลิกเพง่งแม้ที่จะทำํำที่จะบังคับให้ได้บังคับให้เลิกเพง่งได้หรือทํายังไงจะไม่เผลอที่จะทํานะถ้าทําได้จะเป็นอัตตานะไม่ใช่อนัตตาอนัตตาทําไม่ได้หรอกทำโน้ตที่อะไรนะพอทำอย่างทีท่เขาบว่าให้ ไม่หายไม่หายเพราะเพ่งเนี่ยไม่ใช่อกูศนเพ่งมันเป็นการควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกคูสนมันไม่เหมือนเผลอนะทันทีที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจะไม่เผลอทันทีเพราเผลอไปหนักอคูสนเพรสติเกเิด แ, แล้วอคูสนดับแต่เพ่งเนี่ยนะมีสติหรือนิรันดร์เพ่งไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นนะเออจิตมันจะเพ่งก็เพ่งของมันเองเนาะนี่ เห็นอย่างนี้นะใจวางเลยใจก็จะหลุดออกมาไปดูเรื่อยๆจนมันเกิดปัญญาปัญญาก็คือการที่ใจมันเข้าใจความจริงจิตจะเพ่งห้ามมันไม่ได้จินี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวเป็นตักเ่งมาคับมันไม่ได้ปัญญาอยู่ตรงนี้น ะ, ะ ส, งส่งต่อไปพวกข้างหน้านี้ใจพอไม่ดีกลัวไม่ได้ถาม มาทีหลังเท่านี้นะเห็นมาแสงคิ้วเพระแม่อ ม, มานั่งหน้านะนี่มาก่อนแล้วอ่าแล้วหลวงพ่อเอาคืนใหม่มาเขามาก่อนนะเอ๋เอเอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออี่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออออ กาอเดไปมืขี้เกียจีกขี้เกียจก็ดวเาขี้เกียจราะว่าขี้เกียจขี้เกียจก็เป็นธรรมะเหนื่อยๆก็เป็นธรรมะขี้เกียจก็เป็นธรรมะรวมไปด้วยอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะรู้ไปเมื่อกี้ถามอะไรนะสต้นเล่าอะไรไหะอืมรู้สึกเ่าไหมได้ามอยากในความขยันนอาระมืเออดีแภาระเราเรียนจนหมดภาระนะ สุดท้ายเราหมดภาระอย่งเราปฏิบัติไปภาระน้อยลงนลงนาส่งมาข้างหน้าหน่อยนะแล้วท่นช่วยีช้บตรยคือเวลาแทมีจะทรางกูปตัวแแต่การ่นเป็นในลักษณ่นเปู้แต่ร้วเงี่พองค์บอกแต่างัที่รู้กีนแ ก็แค่วัเดียก็อย่าอยากไม่จมนะจิตมันเคยจมมันก็จะจมจิตเคยชินยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นย่างเบอร์ถึขโทษจะตุกตัดสิตนี่หน้าแหละนั่งะโวงไม่้ันะฉันก็เลื่อนเื่อนาก็แค่มันมัน่อเล ทีจนะ่จริงจิตนะจิตโดยธรรมชาติของมันนะพอมันรู้ว่าอารมณ์ได้ช่วงหนึ่งเนะี่ยมันจะเลือนไหมเลือนไปแล้วก็หายแล้งๆไปช่วงหนึ่งหรือว่ขึ้นมาใหม่มารู้ชัดแนละ้วแล้วก็เลือเรือแล้วก็หายไปมีช่วงว่างๆแล้งๆขั้นอั น, นึงเห็นอย่างนันก็ดีนะสันตติไม่ขาดคือเราแต่ละคนเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่หนึ่งคนเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเราคนเดิมเราจะเห็นว่าจิตเที่ยง แต่การที่เรามาหัดภาวนาโยนสติเกิดขึ้นมาเห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เ บ, บ, บลอๆไปแกล้งหายขาดแบบวบว่างๆไปนิดนึงนะไม่มีอะไรก็ขึ้นมารับอารมณ์เราจะรู้เลยจิต ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตไม่ใช่ดวงเดิมหรอกเราเริ่มล่างความเห็นจิตว่าจิตมีดวงเดียวได้ตรงนี้สําคัญ น, นะพวกเราทั้งโลกเลยจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวจิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตของเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิม รู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งคุณผู้หญิงที่มากันเด็กในนี้มีเราคนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้ก็เรากันเด็กก็เราคนเก่าถ้าเรายังไม่เห็นความตึกเนื่องนี้ขาดลงแต่ถ้าเราหัดเจชิญสติมากเข้ามากเข้าอะไรจะเห็นจิตที่เกิดขึ้นมานะรับอารมณ์ได้ชัดแล้วก็ดับลงไปเกิดขึ้นมารับอารมณ์ได้ชัดแล้วก็ดับลงไปมีช่องว่างเล็กๆเหมือนขั้นตรงนั้นเรียกว่ารวังจิตมันตกรวังเป็นระยะระยะระยะ แดีถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไปเราจะรู้เลยจิตไม่ได้มีอยู่เดียวหรอกจิตไม่ใช่เป็นสิ่งจริงแท้ถาวรเป็นสิ่งที่เกิดดับสึกเรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าจะละความเห็นจิตว่าจิตเป็นตัวเป็นตนถาวรได้ถ้าใครละตรงนี้ได้ได้โสดาบันนะเป็นเต้ารู้เรื่อยๆไปทุงยิบจิตตอนนี้จิตฟูต้านหรืออ๋อไหม จิตคุ้มตาหรือว่าคุ้มตาคุ้ใช่ได้แล้วอย่ไปบังคับมนะันหลวงพ่อชิ้คนในจิาตคุ้านี้รีบหัดเยี่ยนี่รู้ติกี้ถูกต้องแล้วกีคิดในวารู้ถูกต้องแล้วไม่ใช่กลัวหลวงพ่อนะนี่อัดเอาไว้เออไม่รู้ทันแล้คิดงั้นฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาฟังหลวงพ่อแล้วเราเห็นแนละ้เดี๋ยวจิตก็ ด, กดูเดี๋ยวจิตก็ฟังเดี๋ยวจิตก็คิดอย่างนี้ดีที่สุดเลย เราเห็นของจริงมาฟังหลวงพ่อเพื่อให้เห็นสภาวะเท่านั้นเองพอเราเห็นสภาวะแล้วสภาวะแสดงธรรมะให้ดูไม่เชี่ยงเป็นทูกเป็นอนัตตาให้ดูเกิดดับให้ดูงั้นมาฟังหลวงพ่อไม่ได้ฟังให้รู้เรื่องนะอยากฟังให้รู้เรื่องก็งไปฟังอาจารย์ปัญญาเลคเชอร์เอแล้วตอนได้เป็นขั้นเป็นตอนมาฟังหลวงพ่อ้เพื่อหันดูสภาวะใจลอยรับทรับไหมแล้วต่อไปสติจะเกิอดอีกอาวุธ ไหนก็มาลที่มีผลต่อยได้ที่เก่รอารู้ีทเ็เาเรียกว่าผรัซัเอร์ผู้รักในความรู้ซั่นเป็นพวกนักปรัชญาเป็นผู้รักในความรู้เป็นพวกตัวเติส ไห้รู้ทันมันนะ mm hmm. อย่าไปหลงกล น, นะตัวความรู้ไม่ใช่สิ่งพุทธคิดถึงมันหรอกตัวความรู้แท้ๆในศาสนาพุทธี่คือการที่เห็นว่ากายกับใจนีไม่ใช่ตัวเราเห็นขันเนะ่เป็นไตรลักษณ์ความรู้จริงๆมีเท่านี้เลยส่วนการแตกฉานรู้อะไรเยอ่แยนนะเลยเอาไว้คุยเล่นเกินความจบเป็น แต่ถ้าเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปความรู้แค่นี้พอแล้วเนี่ยความรู้ที่ต้องการนิดเดียวแค่นี้นะแต่บางคนอยากได้ความรู้เท่ากําพันจริงจริงต้องการแค่ปลายนิ้วก้อยรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป <c oughs> เราห้ามมันไม่ได้ <c oughs> อย่างบางคนอยากไปพุทธภูมินะ <c oughs> มันต้องเรียนเยอะๆเรียนเยอะ หรือเราห่วงคนอื่นอยากรู้เยอะๆจะได้เอาไปถ่ายทอดไปสอดต่อเป็นจริยมิตรคนหน้ามไม่ได้หรอกก็นานหน่อยอะไรนะต้องทนต้องคนน ะ, นนะศึกษาธรรมะเนี่ยต้อกจากฟังให้รู้เรื่องรู้หลักแล้วก็ที่เหลือต้องอดทนเราจะต้องทำสิ่งที่ซ้ำซากให้ได้เนื่นจากใกล้ สาวโรงงานทอผ้านะทํางานซ้ำซากทุกวันทุกวันเหมือนเดิมคนโบราณบอกว่อวาอยากทําได้ถามหญิงต่ำบูกหญิงตําบูกคือผู้หญิงผอผ้าอยากทํำถูกถามเด็กเลี้ยงควายไม่ถามปรมาจารย์นะไม่ไปถามเด็กเลี้ยงควายผู้หญิงต่าตูวผู้หญิงทอผ้าเขาดูอยู่เฉพาะหน้ารูลงปัจจุบันทีลัะขณะที่ลักษณะนเนี่ยกําลังเติมได้ลงไปวันเส้นทีละเส้นทีละเส้นเห็นอยู่แค่นี้รู้อยู่เฉพาะหน้า งานทํากรรมฐานได้รู้เฉพาะหน้าไปเลยเนียรู้ไปทั้งชีวิตเลยตั้งใจไว้แค่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็รู้มันไปอยู่เฉพาะหน้านี้แหละส่วนจะได้มักได้ผลคลือพอผ้าเสร็จเทื่อไหร่ก็แล้วแต่มันเถอะมีหน้าที่ทอผ้ามันทีละเส้นนเละอยากทําลูกก็ถามเด็กเลี้ยงควายไปถามเด็กเลี้ยงควายว่าทํำไนจะปฏิบัติปูกตอบว่าทําไม่ได้หรอกทําไม่เป็นหรอกนั่นแหละทําไม่ได้นั่นแหละธรรม่ะ ถ้าทาได้ตามใจชอบไม่ใช่ธรรมะนะต้องไงอี <c oughs> มันจะต้องทําไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันยอมรับความจริงก็มันทําไม่ได้หรอกแต่ในใจของเราแล้วมันคิดจะทําให้ได้ทุกคนอ่ะมันอยากทําให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องดิ้นไปเรื่อยๆนะจนเดี๋ยวต้งจนมุมหนึ่งหมดสติปัญญานะทํายังไงก็ไม่ได้หลังจนกาแพงแล้วก็ถูก กิเลสกระลุนเราข้างเดียวถูกความทุกข์กะลุงเราข้างเดียวนั่นแหละถึ ง, ง, งจะถึงธรรมะนะประเภทงอมืองงอเท้าแล้วเขาว่าทําอะไรไม่ได้ความทุกข์มาเผชิญยู่เต็มนหน้าอยู่เนี่ยทําอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนที่เขาสร้างบุคลาพิสิานขึ้นมาเจ้าชายสิทธะนั่งอยู่ใต้ต้นโพมานมาเป็นกองทัพเลยคือในขนาดที่จะแตกหักนี้นะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือนที่สุดเลย ในนาทีที่จะแตกหักเนี่ยตัวคนเดียวแท้ๆเลยไม่มีใครช่วยเหลือเลยนะสติปัญญางัดออกมาต่อสู้สู้จนสุดสติปัญญาเลยนะก็ไม่ชนะนะถึงจุดนั้นต้องยอมตายเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่งถึงในขนาดจิตนั้นต้องไม่ถอยจะแตกดับจะเป็นบ้าจะตายก็สู้ตายคาที่ตรงนันเลยครูบาอาจารย์ถึงบอกนิพพานอยู่ภากตาย ไม่ใช่พูดเล่นเลนี่คนบวเออคามกันี่น่ะอุเนเรารเรารู้ความผุกพันทั้งหลายเป็นโลภะก็จริงนะนี่บางคนบอกว่าสมุทยเป็ตัณหาได้รักโดยโลภะมีสองหมวดหมวดหนึ่งอยู่ในกองทุกข์ให้รู้ หมวดหนึ่งเป็นฐานะตัณหานะให้ลกเพราะฉะนั้นอย่างจิตมีความห่วงใหญ่เกิดขึ้นให้รู้ทันจิตอยากจะลกความโวงใหญ่เนี่ยละตัวนี้ใช่เจตการตัวนี้ใชเพะฉะนั้นตัวราคะตัวโลคะหรือมีสองหมวดหมวดของกิเลสอยู่ในสังขารขันให้ร่วมอยู่ในกองทุกข์ให้ร่วมหมวดของตัณหาอยู่ในตัวสมุทยัยให้ละใช่ เปราคาเลยมีสองเก้าอี้เปไม่ใช่ราคาทุกตัวต้องละมันนะเห็มมาอ้างตำรว่าว่าโลภะคือตัวตัณหาเีตัณหาให้รักลี่ย ล, ละโลภะทุกตัวการปัญญาเข้าใจไหมเห็นจะใกล้เกินทำไมรู้ให้โทสามโมหะนะให้รู้ทำไมโลภะให้รักมันมีสองเท้าอี้ อะไนะปฏิบัติกานเป็นโลภาที่มีกำลังถ้ารู้ได้ก็รู้ถึงเราวิชาเลยรู้ถึงโลภาเจตนาที่เสกิดขึ้นดูโลภาเจตนาหน้าโลภกไม่ใช่แนละ้วแต่สติจะระลึกไม่ใช่เราระลึกเองออรู้รู้ถูกต้อง รู้สึกไหมมันแข็งนิดๆเราห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมมันเป็นของมันเองเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้นะจนวันนึงเรารู้เลยคันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราดีละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะใช้มาบ่อยนะตอนนี้ก็ช่วยกนี้คือวิที่อย่างดีมากอางนีว่าหักเราก็จะพ่งพึ่งเลยแล้ก็ต้องไป ว่ที่มอตรอยูมเลนแต่ว่นี้จะทำ้รู้ดีแล้วดนะเวลาเราฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนะไม่จาเป็นต้องจําให้ซําไปแต่ว่าถึงวันหนึ่งเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ธรรมะอันนี้นะธรรมะนี้จะขึ้นมาเองบางคนมีหน้าหลวงพ่อประกอบด้วยนะบุกคนก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อมาบอกเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้ ธรรมะเราเรียนกันด้วยใจนะหลวงพ่อเวลาสอนธรรมะหลวงพ่อไม่ได้เตรียมการสอนเจ็นไหมหลวงพ่อสอนธรรมะออกมาจากใจจริงๆนะและ้วเราก็แอบตอบกันด้วยใจแต่ว่าพอเราเรียนไปเรียนไปเนี่ยถึงคราวขับขันจําเป็นธรรมะอันนั้นหนึ่งเกิดขึ้นมาหลวงพ่อบางคราวนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์ตอนนั้นเป็นข้าราชการจนนะแล้ววันลาก็ไม่มีไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้บ่อยออก เวลาที่เราปฏิบัติแล้วก็เชิญปัญหาแก้ไม่ตกเนี่ยโอ้ทำไงอะ่ะไม่ได้ทำอะไรนะตามรู้ตามดูนะถึงจุดหนึ่งเ น, นี่ยบทีเห็นหลวงปู่ดูลมาหาบ้างหลวงปู่เทศมาหามาบอกเราแบบทำฐานอย่างนี้ทำอย่างนี้งิโอ้ใจนี่โล่งเลยนะแช่มชื่นไปตั้งเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยถ้าธรรมนะนั้นมันดึงกันด้วยใจนะดีแล้วเนะัขเบอร์สี่สิบแปด คือถือมาทำให้เป็นที่หนอมนะครับแเออรยกาตอนนี้่อาดนี้ตดเอต้อา้ร่ที่มีาิใการทำเร่เตวนี้ีเออยม่พายงเออสตที่เยอะ สัเกตไหมเราเผลอได้ด้วยเผลอแวบแวบแวบดีแล้วยิ่งบ่อยยิ่งดีนะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกกรรมฐานเราเผลอวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ตอนนี้เราจะเผลอบ่อยใจไหลแว บ, บรู้สึกแวบบรู้สึกตรงที่ใจไหลไปเราไม่ห้ามนะเพราะเขากำลังสอนธรรมะเราถ้าเราไปห้ามใจที่หลงไปก็คือเราไล่ครูดีกลืนเราจะเอาแต่ความรู้สึกตัวไม่เอาหลงอย่างงี้ใช้ไม่ได้ ถ้าหลงไปเนี่ยเราจะรู้เลยจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วอยู่ได้แว้บเดียวเดี๋ยวก็หลงอีกในความรู้สึกตัวก็รักษาไม่ได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยเสมอกันในที่สุดเวลาวางวางทั้งคู่นะคนอยู่ในโลกเนี่ยมันจะวางข้างเดียวจะเอาอันหนึ่งไปเกียดอันหนึงแต่เวลานักปฏิบัติเห็นจริงขึ้นมาเนี่ยวางทั้งหมดเลย วางสุกและทุก ว, วางดีและช่วงวางความอยากความละเอียดวางภายในภายนอกวางที่ใกล้ที่ไกลวางเสมอกันไม่ไปดิบฉวยอะไรขึ้นมาแลเป็นภาระดีนะค่อยฝึกไปมาสองครั้งเรียนได้อย่างนี้ก็เก่งนะแต่มันเริ่มตื่นนะรู้นนะสึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นจริงมีทีมหรืียนอะมีที่ามที่อยาถามคุณพ ไม่จำเป็นนะคำถามทั้งหลายนะโยนทิ้งไปเชื่อหลวงพอ่อเถอะอย่ามานั่งถามหลวงพ่อเสียเวลาแค่สงสัยรู้ว่าสงสัยใช้ได้แล้วเราไม่ได้ต้องการปัญญาอะไรมากมายเราต้องการแค่ให้เห็นว่าจิตจะสงสัยก็ห้ามันไม่ได้หรือความสงสัยทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปําทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปต้องการแค่นี้เองไม่ต้องการความรู้ความฉลาดอะไรเป็นเครื่องพลุพลันนะ หงพ่ตอตานหัดภาวนาใหม่ๆมีอยู่ช่วงนั้นเกืบเพียนไปมีไปติดวิปัสสนูตัวหนึ่งคือดูไปตรงไปเห็นจิตมันเกิดดับไปด้วยนะมันอยู่มันสว่างโปร่งขึ้นมาเวลาคิดถึงธรรมะนะธรรมะหมวดหนึ่งโบ ม, มนันไ ห, หลออกมานะธรรมะหมวดหนึ่งมีอะไรมีนิพพานมีบรรยายด้วยนะซึ่งทซับรู้อยพวงนี้ธรรมะหมวดที่สองมีอะไรบ้าง เช่นีริวัตะปะสติรับไม่ชัญงะรู้รู้ออกมานะตอนนั้นถ้าจดเอาไว้ก็กลายเป็นกจนานุกรมพอมันรู้ขึ้นมารีบจําไว้จําไว้จำไว้พอถึงวันที่สองวันที่สามแล้วรู้สึกตัวเหมือนคนบ้าแล้วหนักชะมัดเลยเพราะเราแบกตู้เข้าใจกิจดกไปด้วยไปไหนแล้วก็จําธรรมะเอาไว้ยแย่ๆนี่เราปฏิบัติเพื่อจะเอาเหรือไม่เกิดรู้ทันขึ้นมาตรงนี้นะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะ โดนทิ้งเลโง่เขาโง่วะต่อไปนี้ไม่ต้องรู้เหมือนละรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปรู้แค่นี้พอละเข้าใจถึงถึงนะเชื่อหลวงพ่อเ่ะเห็นแค่นี้พอละส่วนความรู้ความเข้าใจอะไรที่เราจะไม่คุยกับคนอื่นทีหลังน่ะมันเกิดเองอย่างเราคนนี้ก็จะคุยธรรมะกับเราก็คุยด้วยภาษาสำนวนอย่างนี้เราก็ฟังรู้เรื่องนะแล้วคุยกับเขาได้วันนี้มาอีกสำนวนหนึ่งก็คุยกับเขาได้รู้เรื่องเหมือนกัน มันเป็นเอง น, นะแล้วตอนนี้รู้แค่ว่าอะไรเกิดอะไรนั้นดับรู้แค่นี้พอแล้วไม่ต้องรู้เยอะคำถามทั้งหลายความสงสัยทั้งหลายนะั้นกว้างทิ้งไปไปกับมีแต่จะหลอกให้เราคิดให้นานๆานกิเลสมันหลอกเบอร์28่สิบแปดเลยนั่นสายขึ้นมาข้างแรกก็เห็ว่าชุดเด็กๆเองนะบาีมีสทธิ์อย่อย่างนี้ถ้าเราองไห อเอยคือมีนคแรกที่น้อมที่นอมห้ทุกจะอรม่มันไม่ไเอย่าไปนั่งนะเดี๋ยวไนั่งร้องไ้ตอนนี้นั่งอยู่เด็กเดอ๋ยวตอนนี้กาลังนั่งนะไม่นั่งเหรอยืนอยู่หรือตอนนี้แม้ตอนนี้นั่งอยู่การปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ใช่นั่งแล้วก็น้อมใจเข้าไปให้สืบๆเราร้องไห้ออกมา นั knew, ่งอยู่เน well. well. ี pools, well. well. well ่ยรู้สึกไอ้ตัวนี้มันนั Brock ่งอยู day ่รู้สึกไหมไอ้ตัวนี้กําลังทําตากจู Station ่ๆรู้สึกไหมตัวนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเรียดูไปเรื่อยๆจนเห็นว่าไอ้ตัวที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้ารู้สึกไหมตัวนี้มันยืดขึ้นมามันเมื่อยมันยืดดูร่างกายนี้ไปนะดูร่างกายนี้ไปจนีระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันขยับไปเรื่อยๆมันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันกระดุกกดิกได้ มันไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้นะมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนคอยดูไปเรื่อยๆเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่คนดูแล้วเป็นคนหนีไปคิดนึกออกไหมใจ แ, แอบไปคิดแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมจะให้รู้ทันอย่างนี้นะเดี๋ยวใจเราจะตื่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะ เรื่องง่ายมากกรรมฐานแต่ก่าจะง่ายเนะี่ยากหมดแล้วนะลมลุกทุกขานต่างตายนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนก็มไม่สอนมากเขาสอนคำสองคาทำกันตั้งสิบปียี่สิบปีใจลอยแล้วรู้สึกไหมนี่เป็นหนึ่งแวบบอัดอย่างนี้นะใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วรู้เวลานั่งอยู่นี่ไอตัวนี้มันนั่งใจเราเป็นคนดูเวลาเดินไอตัวนี้มันเดินใจเราเป็นคนดู แต่ตอนนี้ไปบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมไม่บังคับตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองงานนะเหลือไปกับบังคับตัวเองทิ้งเอาไว้ประกองไว้กำเนิดไว้ควบคุมไว้อันนี้ใช้ไม่ได้ธรรมดาที่สุดดีที่สุดคุณราดามีอะไรอยู่เลยไม่กลั่าไอ้ทเรียนเยอะที่ดีที่สุดอ่านมันเยอะไปไม่ดี เออไม่ต้องคิดอะไรนะแต่ถ้าใจว่างๆรู้ว่าว่างนะทือเราไม่ได้เอาสุดตรงสองข้างข้างหนึ่งนิ่งว่างไม่มีอะไรเลยสบายอย่างเดียวข้างหนึ่งค้นกว้าหมุนทิ้ว ๆ, ๆเราไม่ได้เอาสองงานนี้หรอกแต่เราเอาตามที่เห็นเท่าที่เป็นตรงที่จิตมันค้นกว้าเราก็เห็นว่าเออจิตมันคนกว้าของมันเองแต่เราเป็นแค่คนดูนะจิตมันค้นกว้าของมันเอง เวลามันนิ่งก็เห็นไหมจิตมันนิ่งของมันเองเราไม่ได้ทําอะไรมันเราค่อยดูไปนิ่งก็ไม่คงที่นะหรือเราน้อมใจให้ไปแปะกับความว่างอย่าน้อมใจเข้าไปเราก็รู้ทันเมื่าเราน้อมเข้าไปนิเขาไม่ต้องไม่ต้องดูจากของจริงนะถ้าเรายัางดูของจริงไม่ได้เราต้องไปเรียนซะ ก, ก่อน แต่พอเราดูของจริงได้ดูจากของจริงไม่ได้นะปฏิจจสมุ ป, ปบาทเนี่ยคนที่เห็นแจ้งปฏิจจสมบัติคือพระอรหันต์เท่านั้นนะนอกนั้นไม่เห็นแจ้งเป็นไม่ศึกษาไม่ศึกษาศึกษาอยู่ที่กายกับใจอันเป็นปัจจุบันนี้แหละศึกษาตรงนี้เลยแล้วตัวอื่จะเข้าใจ ยจจยอย่างปฏิจจสุบารเราจะเข้าใจท่อนลายก่นอนภานาไปช่วงหนึ่งเลยเห็นเลยพอมีการกระทบตั้งแต่ผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นการใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโทสะภ า, าธรรมรมกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยเฉยมีเวทนาแล้วกิเลสแทรกกิเลสแทรกแล้วก็เกิดความอยากไปตามอำนาจของกิเลสอยากได้บ้างอยากหลัก บ, บ้าง พอใจมันมีความอยากใจมันดิ้นรนใจมันเข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ดิ้นรนทํางานไปเรื่อยๆใจมันดิ้นรนทํางานไปนะมันจะรู้สึกมีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความทุกข์มันจะหนักขึ้นมาในใจนะใจมันจะเกิดน้ําหนักขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอีกนิดก่อนส่วนปฏิจจสมบัติขั้มตอนนี้ยากที่สุดเลยคนที่แจ้งตัวนี้ต้องเป็นพทารันบันไดที่แจ้งวันนั้นจะเป็นพระารัน เพราะฉะนั้นเราเรียนปฏิสุภาษิเราจะรู้แบบรูปๆตัำๆมันจะขาดเป็นท่อนๆนะเรารู้ว่าอวิชามีแปดอย่างสังขารมีสามอย่างเราจะรู้อย่างนี้แต่เราไม่เห็นกระบวนการแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าอวิชากิจริงเป็นยังไงทำไมอวิชามีตั้งหลายตัวอวิชาจริงนั่นอ่ะตัวไม่รู้ทุกนะไม่รู้ทุกสระบวนการถูกเล่าเลยแจ้งนิโรธเลยเข้าใจอริยสัจสี่ในฉับพลันนั้น ไม่สงสัยในปัจจุบันไม่สงสัยอดีตอนาคตก็ดีเลยความปรุงแต่งคือสังขารนี่จะดับทันทีเลยเอานิดเดียวตัวนี้ทำให้ทุ้งตัง้งการไถ้ควรนะไถ่ควรนิดเดียวนะอยากให้ควรเยอะเราจะไถ่ควรเฉพาะตอนที่จิตไปติดเฉย เวลาที่จิตจะติดเฉย น, นี่ไม่ยอมจเจริญปัญญาเนี่ยเรามาใกล้ควรนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นให้จิตเคลื่อนไหวแต่ถ้าใกล้ควรมากจิตจะฟุ้งซ่านวันนี้จะกลายเป็นจินตามายะปัญญาไม่ใช่ภาวนาหมยะปัญญาความรู้ที่เกิดเลยใช้ไม่ได้ละเมื่อก่อนนี้คุณพรดามจะติดเฉยเฉยเฉยนี้เราเห็นไม่เฉยนานอะไรเราก็มาช่วยเป็นคิดนิดหนึ่งอันนี้คิดเดยอะไป ทีเดียวไปมันกลายเป็นถลำก็ไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของปัญญาแล้วมันเกิดสนุกสนานรู้สึกไหมตื่นเตินนะโอ้ย น, นี่ก็รู้ น, นี่ก็รู้รู้ไปเยอะแยะเลยไม่รู้อันเดียวจิตของเราขนาดนี้ตึ้งต้านอยู่ใช้ได้ะจิตเริ่มคลายออกแล้วจิตมันอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อต้องให้พูดอีกรอบหนึ่งว่จิตมันยังค้างอยู่ยังค้างคาเรายันไม่แล้วใจ เจออย่างนี้สิหลวงพ่อไปหายปวดนึ่งน่งแปข้งหลังด้ไหมข้างหลังร่วมใจตีสิบโมงแล้วหลงพ่อก็ร่วมใจบ้างล้สอนได้เป็นหมวดสักวัน่ได้สองคนวเอ๋ท่านได้มาอมา่เป็นอะไรนะนักเรียนที่ดูจิตตวง่า่อยากจะนพว่ามใื่อว่าาูอทุกัท ในท่าได้อไม่ได้ี่ว่าเรไม่สาาเธรรมะเพอใหได้อไม่ได้ไม่จเป็นนะธรรมะไม่ใช่อยู่ที่พระนะคาว่าพระแท้ๆเนี่ยฆราวาสก็เป <t laid out> ็นได้ถ้าใจเข้าถึงธรรมหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่เป็นฆราวาสนะทำไมปฏิบัติเป็นฆราวาสเนี่ยเวลาไปรายงานผลการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเรียกพระมานั่งฟังด้วยงั้นในธรรมะที่แท้จริงแล้วไม่มีฆราวาสหรือมีพระหรอก ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกนะไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่นะธรรมะเป็นของกลางๆไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนั้นทุวกวันเนี้เราให้เราหัดดูจิตดูใจของเราไปอย่างน้อยที่สุดเราสามารถอยู่กับโลกแบบทุกน้อยๆเรียกผลประโยชน์อันแรกที่เห็นนะอย่างเคยทําอะไรที่ไม่ดีรุนแรงโกรธโมโหรุนแรงตรึงปังไปสติมันเร็วขึ้นเลยความรุนแรงมันลดลงใจเคยแต่วิ่งซ้านๆ น, นอยากโน่น อ, อยากนากี่ทั้งวัน รู้ทันความอยากของเรานะไม่ช็อปปิ้งมากเห็นงแต่ก่อนช็อปปิ้งมาก ร, ารูดบัตรเครดิตมากหนี้สินมากในอาระเราอย่างน้อยเราก็อยู่กับโลกอย่างมีความสุขเคมีผู้ชายคนหนึ่งนะาพาภรรยามาเรียนตลาดมากเลยาพามเมียามาเรียนกรรมฐานวันหนึ่งลูกไม่สบายลูกจะเป็นหรือจะตายอย่างไม่แน่นะหัวเมียไปยืนกเกาะเตียงที่โรงพยาบาลร้องไห้มองลูกแล้วร้องไห้ลูกจะตายหรือเปล่าเขาไม่รู้ จปาปนนี้ธรรมะไปช่วยเมียนะเกิดสติขึ้นก่อนกำลังร้องร้องหันไปดูรูปที่อยู่มบนเตียบเอ้ยนี่มันวัดถูกนี้มันก้อนธาตุนึ่งให้ําว่าลูกเราเนี่ยเราบัญญัติขึ้นมาเองนี่มันเป็นแค่วัดถูกเท่านั้นเองทันทีที่เห็นตัวนี้ปุ๊บเนี้ยความเศร้าสศกนี้ขาดสะ บ, บั้นต่อหน้าตาตากันหันมาดูตัวเองนะตัวเองก็เป็นก้อนธาตุอีกแล้วโอ้โลกนี้มองอะไรอะไรไปเป็นวัดถูกธาตุไปหมด ใจไม่มีความทุกข์โศกแล้วนะสามีพอเห็นภรรยาหายเศร้าโศกนะสามีเลยสติตื่นขึ้นมาอีกคนเห็นตามได้หลวงพ่อเลยไม่แน่ใจว่าที่แกร้องไดนะ้แก่ห่วงลูกหรือรห่วงเมียนะอ <c oughs> าจจะร้องตามเมียก็ได้นะเมียร <c oughs> ้องเลยเศร้าโศกตามีก็เมียหายเลยหายตาม <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นคนที่รู้ทันความรู้สึกนะครับ ไม่ใช่คนไม่มีความรู้สึกนะคนที่รู้ทันความรู้สึกแลนเราจะอยู่กับโลกยังมีความสุขด้วยงรู้สึกไม่อโความสุขแ่เราๆี่ะรอเราแปลกจากมาตรฐานของคนอื่นแต่เวลาเ็าแสดงความเสียใจเราก็ตีหน้าเสียใจไปหน่อยนะเรียกว่าเราไม่ทะเลาะกับโลก แต่เราไม่หลงโลกลนะครับพระเจ้าสอนหน้าบอกว่าพิสูจนทั้งหลายจงดูโลกมันมีวิจิตรงดงามเนี่ยเหมือนราชรถทรงของพระราชาที่คนโง่สาวพากันติดอยู่แต่คนที่เป็นผู้รู้ไม่ติดหรอกแต่เราอยู่กับมันได้ไม่เลียดมันนะถ้าเราภาวนาแล้วเราอยู่กับโลกไม่ได้ร้อนเยนคืนเป็นไปแสดงว่าภาวนาไม่เป็น ถ้าภาวนาแล้วอยู่กับโลกได้อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขแต่เห็นโลกนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโลกนี้ทุกข์ล้วนอย่างไม้ดีแต่ความร้อนนั้นเข้าไม่ถึงตัวเราไม่ถึงจิตถึงใจใจมีความสุขมีความสงบอยู่ท่ามกลางความเล้าร้อนของโลกท่านพุธธทธทาสท่านเทียบกับเหมือนลิ้งูอยู่ในปากงูลิ้นงูเลยไม่ถุกงูกัดตายอยู่กับโลกแต่ไม่ทุกข์นะ การนสื่อข้อมลกสื่อข้มูลข้อ่อมูลอ่ยคหมายว่านักปฏิบัติเมื่หลังเราอ่านมากเลยใหญ่ละใหญ่เลยจิดคิตามเสื่อมเนี่ยมันเป็น่าเรามีความเห็นตัวนี่เราทีความรู้สึกไ่ความรู้ไม่ใช่นะเราเราไม่มีความเห็นเกตตัวเพราะเราไม่มีตัวจะให้เห็นมันจะเห็นเกตตัวไปไม่ได้เลยในเมื่อเราเห็นเลย สิ่งนี้เป็นแค่วัดคุ้มค่าเป็นเชื่องอาศัยเป็นสิ่งเดียวกันคนอื่นๆสัตว์อื่นๆนั่นเองมันจะรักตัวนี้เสมอกับรักตัวนี้เลยจะเสมอไม่แบ่งเขาแบ่งเราจิตใจเนี่ยไม่เพียงแต่จะไม่เห็นเจตตัวนะจิตใจจะเต็มไปด้วยความเมตตาทรุนนะมันจะรู้สึกโสงสารรู้สึกเห็นอกเป็นใจแต่ก่อนเราก็ลําบากยากเข็นอย่างนี้แหละเพราะเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอก แต่พอเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราก็ยังอยู่ในโลกอันเดิมนี้แหละแต่ความทุกข์มันเกิดหายไปจากใจเราจิตใจเรามีสันติสุขมีความสุขนะแต่ว่าเวลาเราเห็นคนอื่นลาบากเราก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือไปทางโลกโลกไปหรือว่าให้ธรรมะเขาได้เราก็ให้ธรรมะเขาปฏิบัติแล้วจะมีความสุขคนแมดล้อมเราก็จะมีความสุขไม่ใช่สุขเฉพาะตัวนะ คนรับๆตัวเรายังคอยมีความสุข ด, ด้วยคือ่ดแล้วนะคือ้วยเราที่รู้่่การที่เราจะช่วยกูใามอยาก่ช่วยที่เนี้ไม่เป็นอยากช่วยแล้วไม่รู้ว่าอยากช่วยแล้วมีกิเลสพอช่วยไม่ได้แล้วเศร้าหมองขาะเราใจมันสงสารก็มีความการุณาเกิดซึ่งกรุณาเป็นกุศล น, นะ อยากให้เขาคปนทุกข์มีความก ร, รุณาเกิดขึ้นแต่คนทั่วไปนะพอก ร, รุณาแค่เดียวจะเปลี่ยนเป็นโคตะเช่นคนนี้นะเราเตือนนะอย่าไปคบเขาเลยคนนี้ก็จะมาหลอกลวงเธอ น, นะพอไม่เชื่อเราเราจะตรวจเขานะจะพลิกเป็นอกติสนเลยดงนั้นต้องแยกให้ออกลนะว่าธรรมะใ ด, เ ป, รรดเป็นอคตินธรรมะใดเป็นอคติสนคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเช่นขันติแต่หน้าด้านไม่เหมือนกันปลูกเขาด่า ไม่โกรธคนหนึ่งไม่โกรธเพราะมีขันติเมื่อเหนดูเขาก็อีกโหเขาจิตใจเขาเล่าร้อนเขาด่าเราเขาด่าแล้วคงมีความสุขไม่โกรธมีข <EN> ันติอีกคนนึงหน้าด้านด่าอะไรใช้ก็เฉยใช้ก็โบกไปเรื่อยๆไม่เหมือนกันนะดังนั้นกูศนกับอากูสน่ออกมาแล้วบางทีทําอย่างเดียวกันน่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่ข้างในต้องดวเอาพอสติตัวจริงเกิดเช่นเราสงสารเขาเพาะเรามีสตินะอกติตนจะดับไเปเกิดความรู้สึกตัวรู้เนี้อรู้ตัวขึ้นมนคาครั้งนี้เป็นหน้าที่ของอุติตนจะ ท, ทางานนะโอคนนี้น่าเห็นใจควรจะช่วยเหลือการช่วยเหลือเราจะช่วยด้วยความมีสติปัญญาช่วยเขาเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสร้างปัญหาระยะยาวให้เขาหรือเปล่ายกตัวอย่างนะ เช่นเราเห็นเด็กขายพวงมะลัยอยู่บนถนนเราเกิดกรุณาให้สตังหรือพวกนักท่องเที่ยวเข้าไปเขาใหญ่หรือไปตามป่าอะไรเงี้ยเห็นลิงนะเอาอาหารให้นี่ใจบุญใจบุญทําให้ลิงเนี่เสียสัญชาติตยานหากินเองไม่เป็นตอนหลังมันเลยยกพวกเข้าปล้นนักท่องเที่ยวเพราะงั้น <c oughs> ต้อ ง, ต, องต้องมีสติปัญญานะในการช่วยเหลือช่วยอะไรแล้วเกิดประโยชน์จริงจริง พ็เคช่วยช่วยแล้วสบายใจแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดีกับเขาเลยนะก็อย่าไปทําเลยนั่นทำก็ช่วยตัวเองให้สบายใจไม่ได้ช่วยเขาแล้วช่วยตัวเองดัง้นต้องมีสติปัญญานะเพื่อจะอยู่กับโลกการที่เราไปดูดจิตดูใจเราเได้ไหนเราจะได้มีสติปัญญารู้ว่าเนี่ยเราทําอันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรทําเพราะตัวเองหรือเปล่าอ่ะพอสมควรนะคนนี้โยวพี่เหลืออ้าวเหลือหนึ่งครับ อ้าเหลืออีกสองเหอัะนาเรียนนี้นะคหนาที่ี่องเรับก็มือยลหที่นีส่นนะการีนใลับบสิใจมันติดความนิ่งนะเพราะฉะนั้นพยายามมาอยู่ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆจิตของคุณมันติดสมถะเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่กับโลกข้างนอกมันจะทื่อๆนิ่งๆรู้สึกไหม มันนิ่งเกินจริงเพราะฉั้นต้องเลิกซะก่อนที่ทําอยู่มาหัดรู้สึกอยู่ในชีวิตประจําวันเยอะๆมาใช้ชีวิตทุกลีกับชาวโลกนี้แหละแล้วกิเลสเราจะได้เกิดอย่ากตัวกิเลส น, นะกัวกิเลสมากไปก็เลยเป็นนิ่งๆไว้ข้างในห น, นีเข้าบ้านปิดประตูตอยู่อย่างเดียวเลยนะอตอนเนี้กาลังสงสัยทราบไหมจะต้องรู้ลงปัจจุบั น, ปนไปเรื่อยๆ แต่ว่าอย่าไปเคร่งใจให้นิ่งเพราะงั้นเวลาเราจะรู้รจิตรู้ใจอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้ความรู้สึกมันเกิดสักก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาให้กิเลสเกิดสักก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้เอาอย่าไปจ้องไว้ก่อนรางคณจะไปจ้องไว้ก่อนจ้องไว้ก่อนจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกติดการจ้องไว้ก่อนเห็นไหมตอนยืในไโกคอลืมตัวเองนะลืมตัวเองเผลอไป นิดเดียวนิดหน่อยตอนนี้เผลอไปแล้วตอนนี้ไม่ได้เพ่งตอนนี้สงสยัยใช่ไหมอย่าท้อแท้ใจนะนนเราไปกักมนะันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ควรเป็นนะมันเป็นตามที่สมควรแล้วมันเป็นไปตามเหตุเหตุก็คือเราไปจงใจบังคับมันไว้นิดหนึงก็เลยเป็นอย่างนี้สว่างนะ รู้สึกไหมจิตใจสว่างนะแต่ว่าเอนโล่งๆโล่งๆว่างๆสว่างแต่อันนี้เราทําขึ้นมาเรายังจงใจอยู่แอบไคิดแล้วทรางไหมไม่เป็นไรนะให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อย่าไปค้างคาอยู่ในสภาวะอันนี้ครับแอบไปคิดแล้วทราบไหม อะไรนะั่กเปรน้ยไม่ต้องนั่งสินะเดิน เ, นเอาเดินรงกรมมาเดินเล่นๆนะเดินดูร่างกายมันเดินเหมือนเราดูคนอื่นเดินอะ่ะอย่าท้อใจนะทำไมมันยากเกย็นนักหนาหรือไหมถ้าคุณคิดอยู่ตลอดเลยว่าทำยังไงถึงจะถูกคุณยังไม่ยอมเลิกทำเลยก่อนจะทำ ว่างๆไว้หรือทําอะไรเครียดๆแข็งๆไว้สมมติตอนนี้เอ๊ะมันแข็งไปทําให้มันรุ่งๆมันไปทําให้รุ่งๆเองมันทําอ่ะมันไม่ใช่รู้อย่างที่เป็นเป็นนะคือศาสตรใดที่ยังทําอยู่นะก็ยังไม่ใช่ของเกิงเอาว่าไงกิรพันธ์กิรพันธ์จะกลับบ้านและ <c oughs> <c oughs> เอ้าเชิญกลับบ้าน <c oughs>